อยางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปัญญาสุตะวินิจสิเนีปัญญาเป็นเครื่องวินิจัยสุตตะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็สุตังปัญญายวัฒนังสุตตะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังการได้ศึกษาเล่าเรียนทําให้ปัญญาจเจริญขึ้นมันก็จะอาศัยซึ่งกันและกันทีนี้ถ้าเราพูดกันตามความเป็นจริงนะครับมนุษย์เราเนี่ย คนจะมีแกนหลักทางจิตใจที่มันคงไม่ใช่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งแวดล้อมเสมอไปไม่ใช่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรก็รจะดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นไม่ใช่ทำตนให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยประการทั้งปวงแต่ว่าควรจะมีแกนหลักทางจิตใจที่มันคง อันนี้ภาษาทางวิสัการจะเรียก uh, ว่าสเปริชวลแบ็คบลูสเปริชวลแบล็คบลูแปลว่าแกนหลักทางจิตใจที่มั่นคงกระดูกใช่ uh, เป็นกระดูกหลัง uh, ทางจิตใจที่มั่นคง uh, แล่วเปลี่ยนแปลงได้ยาก uh, ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะภายในส่วนลึกของจิตใจต้องมีสิธรรม ต้องมีสติปัญญาที่มั่นคงมีจิตนี้ถ้าเป็นเช่นนีแ้แม้สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปในทางเร็วก็ก็จะไม่ทำให้คนคนนั้นเป็นคนเร็วตามไปด้วยในบางทีทัานสังเกต ด, ดูนะครับเวลาก็จับพวกอาญากรได้าจาับโดยเฉพาะอาญากรทางเทศ เขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ้างด้วยวนนุ่งกับโป้งสั้นบ้างยั่วย ว, ยวยนเขาบ้างอะไรทํานองนั้นก็ทําไมคนอื่นเขาจึงไม่ทำไม่ใช่ว่าเขาเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นก็เห็นอคนที่นุ่งกับโป้งสัน้นหรือละไก็คนอื่นเขาก็เห็นทําไมเขาไม่ทำทําไมเขาไม่สุขฆาญณอาจารย์แต่ทําไมตัวเองจึงทำเพราะว่าตัวเองไม่มีแกนหลักทางจิตใจที่มัน่นคง คอยที่จะเลีเ่ยงเบนไปตามสิ่งแวดล้อมหรือไปตามสิ่งที่ยั่วยุนอะไรทํานองนั้นคนเห็นทางเยอะแยะเขก็ไม่ตทำหรือว่าสิ่งยั่วยุนต่างๆก็มีเยอะแยะในโลกก็มีคนจํานวนมากที่เขาไม่ตามไม่ใช่ว่าคนทุกคนเมื่ออยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วจะต้องทําเหมือนตัวเขาก็ไม่ทำ อันนี้มันอยู่ที่แกนหลักของจิตใจของคนว่าได้มีหลักจิตใจอยู่อย่างไรอย่าเอาไปอ้างเลยยิ่งในทางจริยศาสตร์ท่านทยิ่งไม่ยอมใจไม่ยอมให้ให้คนเอ า, เอาสิ่งเวดล้อมมาอ้างว่าเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ีนี่การศึกษานะครับการศึกษาที่ดีนี่ก็ต้องมุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั่นะคือการศึกษาที่ดีเรต้องมุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่ที่แท้จริงแต่ที่นี่น่าเสียดายนะครับการศึกษาที่ทำอยู่ส่วนมากในปัจจุบั น, นมันก็มุ่งไปในทางที่ว่าให้คนจบแล้วไ <c oughs> ปหางเงินหาเสียง หาความสุขจากการตนเกลือตัวเองแต่ที่สําคัญเรคือว่าฉลาดในการที่จะเอาเปรียบผู้อื่นนี้ต่อการศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของบริโภคนิยมกลายเป็นเครื่องมือของคนฉลาดแกมโกงที่บางทีก็เล่าเลี้ยงเด็กให้สบายเกินไป สามใจเด็กเลียงเด็กให้สบายเกินไป <c oughs> ตอนนี้ไปชอบความสบายมันก็ติดไปจนถึงเป็นเป็นเด็กนมเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ลูกของผู้มีอันจะกินและลูกคนรวยเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกแปลกที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยคนจะตอมความเป็นจริงนะครับบ้านหรือสถาน บ้านเนี่ยครับสภาพบ้านเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญที่สุดนะครับในการบ่มความดีบ่มความดีงามไม่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กก็รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยคือว่าคือว่าคนที่อยู่ในบ้านที่อบอุ่นทราสุ อ, อน้อยคนนักนะครับที่จะเสียคนทีนี้ <c oughs> คําว่าอบอุ่นทาสุกเนี่ย เาอย่าตีความตื่นเกินไปนะครับว่าเพียงแต่ว่าได้รับความรักจากพ่อแม่พี่น้องก็ได้อาหารการกินสมบูรณ์มีเสื้อผ้าอาภรณ์เหลือใจมีบ้านหรูหรามีรถใช้อย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราปุณนปาสุกไม่ใช่เพียงอย่างนั้นแต่ต้องหมาย รวมไปถึงความมั่นคงทางจิตใจเรียกว่าไอ้สเปรยชวนแบ็คโบนเนี่ยความมั่นคงทางจิตใจความมีคุณธรรมประจำใจอย่างยากที่สิ่งแวดล้อมจะดึงไปได้ซึ่งซึ่งภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับท่านเรียกว่าอะตมยตาอะตมมยตา อัน conditionally อัน conditionally ธรเมตตาไม่ไม่มีอะไรทำให้โยกโครงวันไหวได้ไม่มีอะไรตรงแต่ให้เปลี่ยนแปลงไปได้ดั่งที่ผมเปรียบให้ฟังวันกอ่อนเหมือนกับมะพร้าวที่เรามาเคี่ยวเป็นน้ามันแล้วเป็นน้ามันมะพร้าวแล้วทิ้งอะไรมันไม่เปลี่ยนเป็นมะพร้าว <c oughs> แต่ทำอย่างไรมันก็ไม่เปลี่ยนไปเป็นมะพร้าวสมมติว่าถ้าท่านไปซื้อของให้บริษัทที่ท่านทำงานอยู่แล้วผู้ผู้ขายเขาก็บอกให้ท่าน20เปอร์เซ็นทท่านจะรับไปถ้าเผื่อท่านรับแสดงว่าท่านยัง ส่วนเรวันไวเ <c oughs> จะพร้อมที่จะถูกถูกล่อถูกหลอกลวงหรือถูกล่อให้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่มายั่วจิตใจท่านยังไม่มั่นคงแต่ถ้าเผื่อท่านไม่รับท่านไม่ยอมรับเขาให้ท่านยี่สิเปอร์เซนท่านไม่รับท่านบอกว่าถ้าจะให้ยี่สิเปอร์เซ็นลดให้บริษัทก็แล้วกันเพราะว่าท่านรับเงินเดือนของบริษัทอยู่แล้ว มีแสดงว่าท่านมั่นคงท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่ที่คุณธรรมประจําใจมีความมั่นคงมีความมั่นคงทางจิตใจไว้ใจได้แล้วก็เชื่อถือได้อผมมีเรื่องจะต้องคุยกับท่านเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับในเรื่องปัญญาคตาเนี่ยนะครับคงจะไม่จบลงง่ายๆแต่ที่นี้ เวลาของผมวันนี้ดูนาฬิกาแล้วก็คงจะหมดแล้วนะครับเวลาก็ขอคงจะขอสวติดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและมีความมั่นคงทางจิตใจมีแด่ท่านผู้ฟังข้างลายโดยทั่วกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่กระตุทุกท่านครับมี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยนะครับทุกันอังคารครับเวลาสองทุ่มเพลิดเพลนนะครับผมวสิดินทศรจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมนะครับตอนนี้กําลังวิเคราะห์ธรรม เรื่องปัญญากถานะครับซึ่งอยู่ในกระถาวัตถุสิทอเป็นข้อที่แปดนะครับของกระถาวัตถุสิผมขอทบทวนข้อความ เ, าเมื่อคราวที่แล้วสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันอังการที่แล้วนี่ผมคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องปัญญากระถอได้ มาถึงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอบรมเพื่อให้เป็นผู้มีปัญญาให้เป็นคนฉลาดเ อ, อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตแนะเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องการที่แล้ว ข้อความตอนท้ายนะครับที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังมีใจความสำคัญว่าอันที่จริงเอบ้านคือสถานที่สำคัญที่สุดในการบ่มความดีในการบ่มความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใ จ, จของเด็กรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย อ, อคนที่ ได้อยู่ในบ้านที่อบอุ่นผาสุขน้อยคนนะครับน้อยคนที่จะเสียคนหรือเสียเด็กแต่นี้คำว่าอบอุ่นผาสุขเนี่ยเราอยากือความให้ตื้นเกินไปว่าเพียงแต่ได้รับความรักจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีอาหารการกินสมบูรณ์มีเสือ้อผ้าอาครณ์เสือใช้ มีบ้านหรูหรามีรถใช้อย่างดีแต่เราต้องหมายรวมถึงความมั่นคงทางจิตใจออแล้วก็ความมีคุณธรรมประจำใจอย่างยากที่จะที่สิ่งแวดล้อมจะดึงไปได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอัตมยตา ต, ตามมตตาหรือ unconditionality ที่นี้ยกตัวอย่างในเรื่องว่าถ้าเผื่อว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทแล้วก็ไปซื้อของให้บริษัทที่นี้ก็ผู้ขายผู้ขายให้เปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นจะรับหรือไม่้ารับ ก็แสดงว่าเรายังไม่มีอา ร, รมเมตตา <c oughs> ยังยังเป็นผู้วันไหวได้วยสิ่งภายนอกที่จะครอบงำได้ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริโภคนิยมแต่ถ้าเราไม่รับไม่รับสิ่งนั้นบอกว่าบริษัทได้เลี้ยงดูแล้วบริษัทได้ให้เงินเดือนแล้ว ถ้าจะลดก็ให้ลดในบริษัทอะนี่ก็เป็นความซื่อสัตย์เป็นความซื่อเพงใครๆก็ต้องการก็ต้องู้กถึงว่าถ้าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัท ต, ตัวเองเป็นเจ้าของงานแต่วรามีคนอย่างนี้อยู่มีคนอย่างนี้ยในปกครองเราจะพอใจหรือไม่พอใจมีลูกจ้างแบบนี้เราพอใจหรือไม่พอใจ ก็นกนึกอย่างนั้นเนี่ยนกได้อย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเราพอใจนี่เราก็ควรจะทำควรจะทำในสิ่งที่เราคิดว่าถ้าผู้อื่นทำกับเราเราก็พอใจอันนี้ตอนที่แล้วก็ข้อความก็มาจบลงอย่างนี้นะครับาอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ใกล้ๆอย่างนี้ทีนี้เอ่อ ผมขอพูดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอเด็กสักหน่อยนะครับคือว่าบ้านเนี่ยควรจะให้การศึกษาศาสนาที่ถูกต้องแก่เด็ก <c oughs> ควรจะให้การศึกษาศาสนาที่ถูกต้องแก่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่เล็กมาเลยทีเดียวตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆมาทีเดียวอ <c> ย <oughs> ่างน้อยก็ให้ได้ยินได้ฟัง ให้เขาได้ยินได้ฟังศาสนาให้ได้ยินได้ฟังธรรมะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็จังเถอแต่ก็ให้ได้ยินได้ฟังไว้ก่อนเพราะว่าอะไรที่เด็กได้ยินได้ฟังตั้งแต่อ น, นยุอย่างน้อยเนี่ยครับมันก็จะเข้าไปลึกัเข้าไปอยู่ในอุปนิสัยใจคอของเด็กเข้าไปลึก <c oughs> อย่างที่สุภาสิตในตโวประเทศนั้นบอกว่า เออการสอนศาสนาหรือสอนวิชาแต่เด็ดตั้งแต่อย่างน้อยอย่างเล็กเหมือนกับการเขียนลวดลายลงในลงในหม้อ ด, ดินที่ยังหมาดอยู่ที่ยังหมาดอยู่ถ้ายังหมาดอยู่จะเขียนลวดลายอะไรลงไปมันก็ติดมากอาเขียนได้เขียนได้สวยงามแต่ถ้า ยังเปียบอยู่มากเราก็มันเละมันเละเราก็เขียนไม่ได้นี้ถ้ามันอแข็งซะแล้วแห้งแข็งซะแล้วก็ขเขียนไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการสอนสศาสนาเด็กตั้งแต่ยังเล็กนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวนะครับอศาสนาจะเข้าถึงส่วนลึกของจิตใจของเด็กหรือของมนุษย์ โดยทั่วไปเราโครงสร้างทางศีลธรรมในจิตใจที่มีศาสนาเป็นสิ่งหลอมให้เกิดขึ้นทำลายได้โดยยากทําลายได้ยากทางนี้กางที่เคารพครับเแต่ที่นี้สายหลุดไปนะครับมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยตอนนี้คงจะดีแล้วนะครับ อ, อทางสถานีจัดให้ใหม่แล้วครับดีแล้ว อผมพูดจากที่บ้านนะครับเ อ, อบางทีบางทีก็มีเหตุขัดข้องบ้างนานๆครั้งนะครับต้องขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยเออผมก็พูดว่าต้องเป็นศาสนาศา ส, สนาที่สอนในบ้านที่สอนให้เด็กเข้าใจศาสนาจะต้องเป็นศาสนาที่ถูกต้องคือเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นศาสนาของคนใดคนหนึ่งหรือรัทธิของผู้ใดผู้หนึ่งที่มาแอบอิงหรืออ้างอิงเอาศาสนาของพระพุทธเจ้าผมขอพยยที่จะเล่าเรื่องนิดหน่อยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเมื่อลูกชายผมเมื่อลูกชายคนโตเรียนอยู่ชั้นแปดผมนีม่ประมเท่าไหร่นี่จำไม่ได้ประถมสามปรถมสี่อะไรเมื่อกลับก่อนสอบ เขาได้มาบอกบอกผมบอกว่าครูที่โรงเรียนอขอให้ม า, อาขอให้หาเหรียญเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อแล้วก็บอกชื่อมาด้วยรูปนั้นให้แขวนไปด้วยวันสอบวันสอบให้แขวนเหรียญหลวงพ่อรูปนั้นไปด้วยจะได้มีสติปัญญาดีจะได้สอบได้คะแนนดเีเขาเล่าให้ฟังไว้อย่างนั้น เขามาขอมาขอคุณพ่อว่าคุณพ่อมีมีหรือเปล่ามีเหรียญหลวงพ่อรูปนั้นหรือเปล่า <c oughs> ผมก็บอกว่าเอแขวนได้แขวนหลวงพ่อขยันนะแขวนหลวงพ่อขยันแขวนหลวงพ่อรอบคอบอ่าแขวนหลวงพ่อเอไม่ใจร้อนหลวงพ่อมีสติปัญญาฝึกฝนสติปัญญาและความขยันและความรอบคอบ นั่นแหละแขวนนั้นนั่นแหล ะ, แ, นน แ, หละแล้วก็อเขาก็ไปโดยที่เขาไม่ได้แขวนอะไรเพรปรากฏว่าสอบได้สอบได้คะแนนดีพอสมควรพอมสมควรแก่สติปัญญาของเขาอทีนี้ถ้าสมมติว่าให้เหรียญหลวงพ่ออย่างที่ว่านั้นไปจริงๆแล้วเขาแขวนแ ล, วแล้วเขาเกิดสอบได้คะแนนดีพอสมควรเขาก็จะมีอุปฐ า, า น, นดิ้มั่นถึงมั่น ว่าที่เขาสอบได้อคะแนนดีขนาดนี้ก็เพราะว่าเรียนหลวงพ่อนั้นช่วยให้เขาสอบได้ดังนี้อุปาทานนี่มันจะฝังอยู่ในจิตใจของเขาตลอดไปถ้เวลาจะไปทําอะไรก็ต้องมีอะไรอมีเหรียญมีอะไรต่างๆที่จะเป็นเครื่องอุ่นใจของเขาเวลาแจ้งจริงๆแล้วทางพุทธศาสนาเนี่สอนให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สอนให้ทําด้วยตัวเองเอที่จริงการที่เขาได้คะแนนน้อยหรือคะแนนมากเขาก็ทําด้วยตัวของเขาเองแันนี้ถ้าเบอรเขาเกิดสอบตกขึ้นมาจะว่าอย่างไรอถ้าแขวนเดือนแล้วก็เกิดสอบตกขึ้นมาจะว่าอย่างไรอแล้วถ้าเปล่าแขวนเดืนอนหลวงพ่อรูปนั้นกันทุกคนในห้องก็ควรคงจะสอบได้คะแนนเท่ากันหมดสิ ถ้าโดยเหตุผลแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถิตปัญญาของแต่ละคนของเด็กของเ ด, เด็กแต่ละคนที่จะทำได้นั่นอนี่คือข้อความที่ผมบอกว่าผู้พ่ อ, พ อ, พอแม่ปูย่ย่าตายายจะต้องมีศัสนาที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็ทำให้เด็กนั้นจะถือศาสนาที่ถูกต้อง แล้วเขาก็จะกล้าหาญไปเจญหน้าต่อความยุ่งยากลำบากด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่กลอนแคลนอย่างเช่นคนทั่วไปที่เป็นกันและไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องเสียเงินไปกับความเชื่อถือที่ร้ายประโยชน์ได้สาระขอให้เชื่อจำขอให้เชื่อจำรรคือการกระทาของมนุษย์การกระทำของมนุษย์ อย่างที่นับถือพุทธศาสนาบางคนนะครับเขาได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างดีแล้วก็กล่าวออกมาด้วยความภาคภูมิใจในพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เป็นเซอร์ดูอิตริเชนเป็นศาสนาที่สอนให้บุคคลทำได้ตนเองคือว่าไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการอ้อนวอน แล้วก็ให้เรามีความขยันหมั่นเพียรช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองทีนี้มันมีจริยธรรมในการทํางานอาสอนให้มีจริยธรรมในการทํางานาที่เขาเรียกในทางเรียนตกว่าเป็น etics, เวอร์ติกเป็นจริยธรรมในการทํางาน ถ้าเรามีจริยธรรมในการทำงานการทำงานในวงของผู้ใหญ่หรือในวงของเด็กก็จะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้คนไปอ้อนวอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ต้องการให้เราทำด้วยตัวเองด้วยความขยันหมั่นเพียรได้เรี ย, เรยกแรงกาลังทั้งหมดด้วยความบาบันพยอยามทีนี้สำหรับผู้ใหญ่นะครับ ผู้ใหญ่สําหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องขวนขวายไปยามเพื่อความสิ้นกรรมเพื่อความสิ้นกรรมโดยผ่านทางการสิน้นกิเลสพระพุทธเจ้าของเราได้แนะนำและบือไปชั่วโลกว่าเป็นผู้สิ้นกรรมเพราะสิน้นกิเลสมีพระบาลีในพริไติฎกสุตนิบาตเล่มทีม่สิบห้า ข้อ424ว่าสัพพกรรมมัทยังปัตโตมิมุตโตอุปทิฏฐเยพระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นไปในเพราะได้สิ้นอุปทิสิ้นกิเลสทั้งปวงอันนี้ครับพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงที่ทีตัดกรรมในสังคมของเรา มีคนได้มีบาปมีเคราะรู้สึกตัวว่ามีเคราะรู้สึกไว้าชีวิตไม่ค่อยราบรล่นไม่สบายแล้วก็รู้ข่าวว่าที่วัดไหนก็มีการตัดกรรมกันก็ไปทํำพิธีตัดกรรมแเอาข้าเอาของไปซื้อข้าวซื้อของถวายสังฆทานเไปแล้วก็ตัดกรรมเคยไปดูเขาเหมือนกันเคยไปดูเขาตัดกรรมจะไม่ได้เข้าไปตัดเองไปดู เราตัดกรรมพระก็ น, นั่งเราเอี่ยงผ้าขาวผืนใหญ่ไปคลุคมคลุมเพื่ที่นั่งอยู่อในบริเวณนั้นเขาก็ว่าว่ากรร ม, มัตสโกมีกรรมดายาโทอะไรทานองนี้นะครับก็ว่าเรื่อยไปแล้วก็ไปถึงคำว่า ต, ตัดตัดสัตยาโดภวิสามิภวิสันติอะไรว่าต่ต้องมีกรรมเป็นของของตนแล้วก็ไปหยุดอยู่แค่คำว่าตัด ปัจจนะแต่สตัสายาจูมาไปหยุดอยู่แค่นั้นหรือว่าตัดกรรมแล้วถ้าตัดกรรมกันได้เพียงด้วยเพียงเครานี้ก็ดีสิครับเราก็ทำกรรมอะไรต่อหไายวัยก็นานๆก็ไปทํำพิธีสักทีทหทนึ่งก็ไปตัดกรรมกันด้วยทีหนึ่งมันตัดไม่ได้ครับมันตัดไม่ได้การตัดกรรมก็ทําได้อย่างเดียวคือว่าเว้นกรรมชั่วกรรมชั่วที่เคยทําก็หยุดเสีย แล้วก็ทกํากรรมดีให้มากขึ้นเว้นความชั่วที่เคยทํานั้นเไปยังเว้นไม่ได้หมดก็ค่อยๆให้เบาบางลงให้น้อยลงทําให้น้อยลงอย่าทําบ่อยๆ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปาปัญเจปุริโสกยีราถ้าคนกลืนทำบาปก็อย่าทําบาปนั้นบ่อยๆ ท่น อ, อย่างนั้นอย่าทําบ่อยๆถ้านานๆทําครั้งหนึ่งมันก็นกับผลมันก็น้อยนอๆแต่ถ้าทําบุญถ้าจะทําบุญปุญญเสภุริโสกิริรากิริราเถร น, น, นังกุณปุณะถ้าจะทําบุญก็ให้ทําบ่อยๆให้ทําให้ติดต่อไม่ขาดสายถ้าใช้น้ําไหลไม่ขาดสายมันเต็มตุงได้เร็วนี่ยผมยกตัวอย่างเช่ไหม คนกินเหล้าถ้ากินทุกวันแล้วกินวัน ล, ละมากๆไม่เท่าไหร่ก็เห็นผลของมันเห็นผลชั่วของมันเห็นคิดของมันได้เดือนหนึ่งกินสักคนหนึ่งแล้วแก้วเดียวก็กินกลับเข้าไปเยอะๆมันก็ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับแต่เราเว้นได้ขาดไม่กินเลยมันก็ดีไม่ว่าถ้าทำชั่วก็อย่าทำบ่อยๆถ้าทำดีก็ให้ทำบ่อยๆนี่วิธีวิธีตัดกรรม กรณีกรรมในพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์มีอยู่สี่อย่างนะครับคือว่ากรรมกรรมดำํำได้แก่ทุจริตแล้วก็ให้ผลดํามีวิบากดําคือว่าให้ผลเป็นความทุกข์กรรมขาวคือสุจริตให้ผลเป็นมีวิบากขาวคือให้ให้ผลเป็นความสุขกรรมทั้งดําทั้งขาว ในความว่าทางทางบาปทางบุญทำฆ่ากันไปทำบุญบา้างทำบาปบา้างทำบุญบา้างทำบาปบา้างค่าก้าวกันไป อ, อแล้วก็ผลออกมาก็คือมีวิบากเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างในสังคมมนุษย์เรานี่ก็มีวิบากเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่ที่มีบางท่านบอกว่าเอาเอาบาปเป็นคุณเอาบุญเป็นกําไรนั่น เฉพาะบางเรื่องนะครับไม่ใช่คลุมหมดทุกเรื่องเฉพาะบางเรื่องจะคุมหมดทุกเรื่องไม่ได้ว่าเราจะต้องเอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรมังยกตัวอย่างว่าชาวประมงนี่นะครับชาวประมงนี่เขาจําเป็นที่จะต้องเ อ, อหาปลาหาปลามากินมาขายแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาทําบุญบ้างนะเอเอเพื่อเพื่อแผ่ทําบุญให้ฐานบ้าง อันนี้แล้วก็เอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกาไรบ้างนะครับเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้นแต่ถ้าเผื่อไปคอรับชั่นขอรับชั้นจินบ้านจินเมืองแล้วก็ไปทำบุญให้ทานเพื่อจะต้องเอาบุญเป็นกาไรอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทำบาปอย่างอื่นโดยไม่จำเป็นแต่ว่าคิดว่าจะเอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใชยได้ทุกเรื่องไปมันได้ในกรณีที่จาเป็น Uh, เท่านั้น uh, uh, uh, มีเรื่อง uh, ต้องคุยกันเยอะก่อสมควรเนี่ยนะครับ uh, ทั้งบอ uh, uh, กรดำ uh, ทั้งดํา uh, ทั้งขาวทีนี้มาถึงกรรมข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นี่พระพุทธเจ้าตรัสเลยเองนะครับเ่ากรรมไม่ดําไม่ขาว uh, ได้แก่เวตนาในการกระทํา uh, เวตนาในการกระทํ uh, าในการที่จะละทั้งกรรมดาและกรรมขาว เจตนาในการที่จะละทั้งกรรมดําและกรรมขาวคือหมายความว่ามุ่งหน้าไปสู่นิพพานรือไม่เอาทั้งผลดีทั้งผลชั่วที่เป็นโลกียะที่เป็นอาสวะที่ท่านเรียกในคำบาลีว่าโอปะทิกังปุญญ์ยังโอปะทิกังปุญญ์ยังบุญที่มีขันมีขันเป็นผลขันคือกันหน้าเนี่ยครับโดยต้องเกิดแล้วเกิดเล่ามีบุญ ทำบุญที่ต้องเกิดแล้วเกิดอีกหรือว่าบุญซึ่งมีกันเป็นผลบุญซึ่งมีอาได้มีมีกันเป็นผลมีกิเลสเป็นผล อ, อ, อย่างนี้เป็นโอปะที่กลางบุญญ อ, อไม่ใช่ก ร, รมไม่ดำไม่กล่าวอีกอันหนึ่งก็คือ อ, อนานโอปะที่กังปุ ญ, ญางบุญที่ไม่มีอยู่ปฏิ ทำบุญที่ไม่มีอุปัติหรือว่ามุ่งตรงไปสู่การดับกิเลสเส้นการเจริญมั้มุ่งไปสู่ความสิ้นกิเลสไม่มุ่งให้สวยไม่มุ่งให้รวยไม่มุ่งให้ เ, เกิดในชาติหน้าขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ า, ากรรมไม่ดำไม่ขาวเจตนาในการกระทํากรรมเพื่อจะละทั้งกรรมดาและกรรมขาวคือหมายความว่า เป็นผู้ละทั้งบุญทั้งบาป พ, นะพอถึงในระดับนั้นขึ้นมาก็ไม่เอาทั้งบุญทั้งบาปเพราะว่าคนมีบาปก็ทุกไปตามภาษาคนมีบาปคนมีบุญก็ทุกไปตามภาษาคนมีบุญคนมีบาปก็ทุกไปตาม